บทภาชีนีที่ชื่อว่าชาติกําเนิดได้แก่ชาติกําเนิดสองอย่างคือวงเล็บหนึ่งชาติกําเนิดต่ําวงเล็บ2ชาติกําเนิดสูงที่ชื่อว่าชาติกําเนิดต่ําได้แก่ชาติกําเนิดคนจันทานชาติกําเนิดคนจักรสารชาติกําเนิดนายพรานชาติกําเนิดช่างรถชาติกําเนิดคนเทเยะนี้จะเป็นชาติกําเนิดต่ําที่ชื่อว่าชาติกําเนิดสูงได้แก่ชาติกําเนิดกษัตริย์ ชาติกำเนิดพราหมณ์นี้จะเป็นชาติกําเนิดสูงที่ชื่อว่าคําดาได้แก่คําดาสองอย่างคือวงเล็บหนึ่งคำดายาบวงเล็บสองคำดาสุภาพที่ชื่อว่าคําดายาบได้แก่คําดาว่าท่านเป็นอูดท่านเป็นแพะท่านเป็นโคท่านเป็นลาท่านเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านเป็นสัตว์นรกท่านไม่มีสุคติหวังได้แต่ทุคติเท่านั้นคําดาที่เกี่ยวกับการร่วมประเวณี หรือคำด่าที่เกี่ยวกับอวัยวะของชายหญิงนี้จัดเป็นคำด่าหยาบที่ชื่อว่าคำด่าสุภาพได้แก่คำด่าว่าท่านเป็นบัณฑิตท่านเป็นคนฉลาดท่านเป็นนักปราดท่านเป็นผู้หูสูรท่านเป็นธรรมกรัตถกท่านไม่มีทุ ก, กติหวังได้แต่สุขติเท่านั้นนี้จะเป็นคำด่าสุภาพอุปสมบันกล่าวส่อเสียดอุปสมบันิ หกล่าวส่อเสียดด้วยชาติกําเนิดตำ่ำา 39. อุปสัมบันิฟังคําของอุปสัมบันิแล้วไปกล่าวยยแยออุปสัมบันิว่าภิกษุเช่อนี้กล่าวถึงท่านว่าคนจันทานคนจักสารนายพรานช่างรถคนเทขย่าต้องอบัตรปาจิตดีทุกๆคําพูดกล่าวส่อเสียดด้วยชาติกําเนิดสูงอุปสัมบันิฟังคําของอุปสัมบันิแล้วไปกล่าวโยเยอืออุปสัมบันิว่า ภิกษุชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านกษัตริย์ท่านพราหมณ์ต้องอบัติปาจิตติทุกๆคําพูด 2. กล่าวซอเสียดด้วยชื่อที่เลวอุปสัมบันฟังคําของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยโแย่อุปสัมบันว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านอาวกนักกนกะท่านชวกกันนกะท่านธนิถกะท่านสวิธกะท่านกุลวัตกะต้องอบัติปาจิตติทุกๆคําพูด กาวสอเสียดด้วยชื่อที่ดีอุปสมบันิฟังคําของอุปสัมบันิแล้วไปกล่าวยุ่ยแย่อุปสัมบันิว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านพุทธรักิตาท่านธรรมรักิตาท่านสังครักิตาต้องอบัติปาจิตีทุกๆคําพูด 3. ากล่าวสอเสียดด้วยตระกูลชั้นต่าอุปสัมบันิฟังคําของอุปสัมบันิแล้วไปกล่าวยุ่แย่อุปสัมบันิ ว, UA, นว่าภิกษุชื่อนี้ กล่าวถึงท่านว่าท่านเป็นคนตระกูลโกศิยะท่านเป็นคนตระกูลภารัตวาชะต้องอบัติปาริติตีทุกข์คำพูดกล่าวส่อเสียดด้วยประกูลชั้นสูงอุปสัมบันฟังคำของอุปสมบันแล้วไปกล่าวลุกแย่อุปสัมบันว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านเป็นคนตระกูลโคตมะท่านเป็นคนตระกูลโมคลานะท่านเป็นคนตระกูลกัจจยนะท่านเป็นคนตระกูลวาเสธะ ตองอบัติปาจิตีทุกๆคําพูด 4. กล่าวส่อเสียดด้วยหน้าที่การงานชั้นต่ําอุปสัมบันิฟังคําของอุปสัมบันิแล้วไปกล่าวยู่หยีอุปสัมบันิว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านเป็นช่างถากไม้ท่านเป็นคนเทขยายต้องอบัติปาจิตีทุกๆคําพูดกล่าวส่อเสียดด้วยหน้าที่การงานชั้นสูง อุมบัตฟังคําของอุปสัมบันิแล้วไปกล่าวยุ่ยแย่อุปสัมบันิว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านเป็นชาวนาท่านเป็นพ่อค้าท่านเป็นคนเลี้ยงโคต้องอาบัตรปาจิตติทุกๆคําพูด 5. กล่าวส้อเสียดด้วยศิลปวิทยาชั้นต่ําอุปสัมบันิฟังคําของอุปสัมบันิแล้วไปกล่าวยุ่ยแย่อุปสัมบันิว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านเป็นช่างจักสาน ท่านเป็นช่างหม้อท่านเป็นชางหมุดท่านเป็นช่างนั้นท่านเป็นช่งนนาชงกันโบกต้องอบัตติปาจิตตีทุกๆคําพูดกลาวสอเสีย ด, ด้วยศิละปะวิทยาชั้นสงูงอุปสัมบันิฟังคําของอุปสัมบันิแล้วไปกล่าวย่อแย่อุปสัมบันิว่าภิกษุเช่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านเป็นช่างนับท่านเป็นนักคํานวณท่านเป็นนักเขียนต้องอบัตติปาจิตตีทุกๆคําพูดห กล่าวซอเสียดด้วยความเจ็บไข้40อุปสัมบันฟังคําของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยโยเย่อุปสัมบันว่าภิกษุเชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านเป็นโรคเรื้อนท่านเป็นโรคฝีท่านเป็นโรคกลากท่านเป็นโรคมองคล้อท่านเป็นโรคลมบ้าหมูต้องอบัตรปราจิตีทุกๆคําพูดอุปสัมบันฟังคําของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวโยเย่อุปสัมบันว่า ภิกษุชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านเป็นโรคเบาหวานต้องอบัติปาจิตตีทุกๆคําพูด 7. กล่าวสอเสียดด้วยรูปลักษณ์ที่เลวอุปสัมบันิฟังคําของอุปสัมบันิแล้วไปกล่าวยุ่ยแย่อุปสัมบันิว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านเป็นคนสูงเกินไปท่านเป็นคนเตี้ยเกินไปท่านเป็นคนดําเกินไปท่านเป็นคนขาวเกินไปต้องอบัติปาจิตตีทุกๆคําพูด กล่าวสอเสียดด้วยรูปลักษณ์ที่ดีอุปสัมบันฟังคําของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยุแย่อุปสัมบันว่าภิกษุเชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่ากล่าวซอเสียดด้วยรูปลักษณ์ที่ดีอุปสัมบันฟังคําของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยุแหย่อุปสัมบันว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านเป็นคนไม่สูงนักท่านเป็นคนไม่เตี้ยนักท่านเป็นคนไม่ดำนักท่านเป็นคนไม่ขาวนัก ต้องอบัตปาจิตติทุกๆคำพูด 8. กล่าวส่อเสียดด้วยกิเลสอุปสมบันฟังคำของอุปสมบันแล้วไปกล่าวโยเยอุปสมบันว่าภิกษุเช่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านเป็นผู้ถูกราคะกลุ่มรุมท่านเป็นผู้ถูกโทสะกลุ่มรุมท่านเป็นผู้ถูกโมหะกลุ่มรุมต้องอบัตปาจิตติทุกๆคำพูดอุปสมบันฟังคำของอุปสมบัน แล้วไปกล่าวยุ่ยแย่อุปสัมบันว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านเป็นผู้ปราศจากราคะท่านเป็นผู้ปราศจากโทสะท่านเป็นผู้ปราศจากโมหะต้องอบัดปาจิตตีทุกๆคําพูด 9. กล่าวส่อเสียดด้วยอบัตติุปสัมบันฟังคําของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยุแย่อ <That> ุปส <spatula> <underway> ัมบันว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านต้องอบัดปาราชิก ท่านต้องอบัตสังฆาทิเศษท่านต้องอบัตทุระใจท่านต้องอบัตปาจิตตีท่านต้องอบัตปาติเทศนิยะท่านต้องอบัตทุกกฎท่านต้องอบัตทุกภาสิทธต้องอบัตปาจิตตีทุกๆคำพูดอุปสัมบันฟังคำของอุปสมบันแล้วไปกล่าวยุติเยอุปสมบันว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านเป็นโสดาบันต้องอบัตปาจิตตีทุกๆคำพูดสิ กล่าวสอเสียดด้วยคำด่ายากอุปสัมบันิฟังคําของอุปสัมบันิแล้วไปกล่าวยุ่แย่อุปสัมบันิว่าพิษสูตรชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านเป็นอูดท่านเป็นแพะท่านเป็นโคท่านเป็นลาท่านเป็นสัตว์ดิรฉานท่านเป็นสัตว์นรกท่านไม่มีสุขติหวังได้แต่ทุกติเท่านั้นต้องอบัตตาจิตติทุกๆคําพูดกล่าวสอเสียดด้วยคําด่าสุภาพ อุปสำบันฟังคำของอุปสำบันแล้วไปกล่าวยุแย่อุปสำบันว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านเป็นบัณฑิตท่านเป็นคนฉลาดท่านเป็นนักปราดท่านเป็นพ่อหูสูตรท่านเป็นธรรมกถึกท่านไม่มีทุกติหวังได้แต่สุคติเท่านั้นต้องอบัตปาจิตตีทุกๆคำพูด 1. กล่าวส่อเสียดด้วยชาติกาเนิดชั้นต่ํา 41. อุปสมบันฟังคาของอุปสมบัน แล้วไปกล่าวยุแยอุปสัมบันว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวว่าในพระธรรมวินัยมีภิกษุบางพวกเป็นคนจันทานเป็นคนจักสารเป็นนายพรานเป็นช่างรถเป็นคนเทขยะภิกษุนั้นไม่กล่าวถึงคนอื่นแต่กล่าวถึงท่านต้องอบัตทุกกฎทุกๆคํคำพูดกล่าวสอเสียดด้วยชาติกำเนิดชั้นสูงอุปสมบันฟังคาของอุปสมบันแล้วไปกล่าวโยเยอุปสมบันว่า ภิกษุชื่อนี้กล่าวว่าในพระธรรมวินัยมีภิกษุบางพวกเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์ภิกษุนั้นไม่กล่าวถึงคนอื่นแต่กล่าวถึงท่านต้องอบัตรทุกกฎทุกๆคําพูด 10. กล่าวส่อเสียดด้วยคําด่าสุภาพอุปสัมบันฟังคําของอุปสรรมบันแล้วไปกล่าวโยแย่อุปสรรมบันว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวว่าในพระธรรมวินัยมีภิกษุบางพวกเป็นบัณฑิต เป็นคนฉลาดเป็นนักป ร, ราดเป็นผู้โหสุดเป็นธรรมกถึกภิกษุเหล่านั้นไม่มีทุกติหวังสุขติแน่นอนภิกษุนั้นไม่กล่าวถึงคนอื่นแต่กล่าวถึงท่านต้องอบัตทุกกฎทุกๆคำพูด 1. กล่าวส่อเสียดด้วยชาติกําเนิดต่าอุปสัมบันฟั ง, ฟงคําของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยุแย่อุปสัมบันว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวว่าภิกษุพวกใดกันแน่เป็นคนจันทาน เป็นคนจักสารเป็นนายพรานเป็นช่างรถเป็นคนเทขยะภิกษุนั้นไม่กล่าวถึงคนอื่นแต่กล่าวถึงท่านต้องอบัตทุกกฎทุกๆคําพูด 10. กล่าวส้อเสียดด้วยคําด่าสุภาพอุปสมบันฟังคําของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยุแย่อุปสัมบันว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวว่าภิกษุพวกใดกันแน่เป็นบัณฑิตเป็นคนฉลาดเป็นนักปราชญ์เป็นพหูสูดเป็นธรรมกถึก พวกเธอไม่มีทุกติหวังสุกติได้แน่นอนภิกษุนั้นไม่กล่าวถึงคนอื่นแต่กล่าวถึงท่านต้องอบัตทกกดทุกๆคำพูด 1. กล่าวส่อเสียดด้วยชาติกำเนิดชั้นต่าอุปสมบันิฟังคำของอุปสมบันแล้วไปกล่าวยุ่แย่ออุปสมบันว่าภิกษุเชื่อนี้กล่าวว่าพวกเราไม่ใช่คนจันทานคนจักสารนายพรานช่างรถคนเทขยะ ภิกษุนั้นไม่กล่าวถึงคนอื่นแต่กล่าวถึงท่านต้องอาบัตรทุกกฏทุกๆคำพูด1ิบกล่าวโซเสียดด้วยคำด่าสุภาพอุปสัมบันฟังคำของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยุแย่อุปสมบันว่าภิกษุเชื่อนี้กล่าวว่าพวกเราไม่ใช่บัณฑิตคนฉลาดนักปราชญ์เป็นพระหูสูตรเป็นธรรมกระถึกพวกเราไม่มีทุกติวังได้แต่สุขติเท่านั้น พิษเสือนั้นไม่กล่าวถึงคนอื่นแต่กล่าวถึงท่านต้องอบัตทุกกฎทุกๆคําพูดเป็นอาบัติตามวัตถุ42อุปสมบันฟังคําของอุปสมบันแล้วไปกล่าวยุยแย่อุปสมบันต้องอบัตปาจิตติทุกๆคําพูดอุปสมบันฟังคําของอุปสมบันแล้วไปกล่าวยุยแย่อนุปปัสัมบันต้องอบัตทุกกฎ อุปสาบัญฟังคําของอนุปสามัญแล้วไปกล่าวโยแย่อุปสามัญต้องอบัตทุกข์กฎอุปสามัญฟังคําของอนุปสามัญแล้วไปกล่าวโยแย่อุปสามัญต้องอบัตทุกข์กฎ